أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الحمد لله ر ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م ص ل و س ل م و ب ا ر ك ع ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه أ م ع ي ن سبحانك لا علم لنا ا ل ا ما علمتنا ต ن ك ี ن ت العليم الحكيم ربنا ظلمنا น ن ف س ن ا ู้ ن لم ت ู้แล ن ผู้ทรงป ل ญญาท ن า من ر ر ا ل خ ا ็ ر ي ن ربنا ร ت ن ا في ผู้ทรงปัญญาท่านทรงเป็นผ وقنا عذاب النار الحمد لله ารงนผู้ท้านะรันาัลเล อายัดสุดท้ายจากสุราอัลมุซัมมิลและก็เป็นคืนสุดท้ายสําหรับปีนี้ก่อนที่เราจะได้ตั้งเร็ป ر ม ض อนกันอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิบินาอัมติฮิทัตมุสซาลิฮะนะครับหนึ่งอายัดจากสุราอัลมุซัมมิลหนึ่งอายัดเองนะครับที่เราเฉลี่ยวันนี้ชออัลลอฮฺจะได้จบเร็วๆหนึ่งอายัดแต่ว่ามีลายมันทาตอยู่ จะไปนั่งพักกันนะงานกันก่อนนะครับอ้างอุบิลลาห์นินชัยนรีมอินนันรับบักย์แกลมอันนักตควุมัดนา์ินทลุซย อ a ีนามนุษย์ศ วَาَิฟตَมมนั ل َّ์ด ي นَ م َ ع َ ك ะว ل ลَห์ยุคดิรุลเลีَลวะ علم ألا تحصوه فتاب عليكم จะอ ر أ น ا ะ س ่านจ ل อ่านจะอ่านจะอ่านจะอ่านจะอ่านจะอ่านจะอ่านจะอ่านจะอ่านจะอ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله <ت ص في ق> وآخرون ََ يقاتلون َُِ في سبيل َِ الله فقرأوا ْ ما تيسر َََّ منه และฉันจะประกอบพิธีการศีลธมมเงินจากเจ้านัน เตรียมเอาใหกจิตใรของท่านเป็ ت จดُเข عند َ ا ل ل อฮ์เขَเป็َ خير แล و َัَลْฮ์เَ็َผู ر ทรงَู้ทรงผู้ทรงผู้ทรงผู้ อินน <lerin S 2> ั่ลลอฮะัฟู <ograf> <air> ้ร์รั้ฮีมอัลฮะมดุลิลลาฮฺอายะตุทากซุรุตุลมุซัมมินอายต์นีป็นอายะตุทัฟฟิสอายะที่ลดความเข้มข้นจากคาสั่ง ในต้นสุราเข้าไหมครับในต้นสุ ร, รา a l l a สัว่าอย่างไรยา أيُّها المُزَمِّل قُمِّ اللَّيلَ لَمَّا كَيَامُ اللَّيلِ ط َ ن ْ غ ُอกจากนิดเดียวเท่านั้นที่ให้ที่ให้พักผ่อนหรือนิสฟาหูครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึง่งหรือน้อยกว่าครึ่งนิดหนอันนี้เป็นคำสั่งแรกๆแล่ท่านนาบีก็ทำจริงๆบรรดาสัฮาบะก็ทา ตามคำสั่งที่ Allah ละสั่งให้ทำ سبحان Allah มีรายงานนะครับบอกว่าท่านนบีกษมุลเลนจนกระทั่งท้าทานบัวนะฮะ حتى تورمت ق د م ا จนกระทั่งท้าบัวนะยิ่งถามท่านว่ายา رسول a l ลท่านจะเอาอะไรนักหนาทาไมต้องละหมาดขนาดนี้ว่า قد و ف ي ละกมาที ال> ่ดั่งมาในดัมบีก็มาที่อัครนี่คือที่นะอัลลอฮ์ุบฮานะะสบฮางี่ัลลอฮละก็อัลลอฮ์สุบฮานะสุบะฮัยทุกที่กับท่านละท่านอบดุีไม่มีบาบแล้วทำไมต้องเกี่ยมุลไลจุลกะทังท้าวบัวท่านจึงตอบไอ้ชาวว่าอัละอะไมนผู้เด้รับรูดีนก ที่ฉันทําอย่างนี้เนี่ยเจ้าจะไม่ให้ฉันเป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮฺตะอลาต่อหรือท่านนาบีละหมาดแกมุกมลัยเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺรับคําสั่งของอัลลอฮ์ให้แกมุลั ย, ลยท่านก็ทำจริงๆนะครับทำหนึ่งปีแล้วท่านก็ไม่ได้ทําคนเดียวบรรดาสัฮาบะของของท่านก็ทําด้วยถ้าท่านนาบีคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่นี่คําสั่งเนี่ยพอสัฮาบะคนอื่นทําด้วย มันไม่เท่ากันเนี่ยแม้กระทั่งการถือศีลอดใช่ไหมครับท่านนาบิเคยบอกว่าฮ้ามเขาเรียกวซซอนหมายถึงว่าถือศีลอดโดยไม่ละศีลอดพอถึงมรดิไม่ยอมทานจะจะบวชศีลจะบวชไปจนถึงอีกวันหนึ่งไม่ยอมทานข้าวกลาคืนท่านอนาบิห้ามห้ามทําอย่างนี้ฉันเองไม่เป็นไรฉันทําคนเดียวได้ ฟ้าอินมะอัตตะมะนิลลาห์วะสัการอคำว่าที่ศาสดาเพราะว่า Allah ให้ฉันกินอาหารให้ฉันดื่มน้ําโดยที่พวกเจ้าไม่รู้เปภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคําสั่งเกียรมุลไลเป็นคําสั่งของท่านนบีคนเดียวท่านนบีทำคนเดียวมันไม่มีปัญหาแต่พอซาฮบะไปทําด้วยระดับอิมานของซาฮบะก็ไม่เท่ากันอีกเต็มที่แล้วทาเต็มที่แล้วซาฮบะได้นโนยยอมเต็มที่กว่าเราแต่ว่า สุดท้ายนะท่านนาบีด้วยความเมตตาของท่านครั้งหนึ่งแม้กระทั่งละหมาดตะรวะให้เองเนี่ยในสมัยท่านนาบีท่านละหมาดเม่อสามครั้งหรือว่าสีครั้งแค่นั้นเองละหมาดคืนแรกมีคนมาละหมาดพร้อมกับท่านจํานวนหนึ่งพอคืนพรุ่งนี้อ้าวมีคนรู้อะอ้าวท่านนาบีละหมาดตะรวะตอนคืนก็เลยเรียกมาอีกพอคืนสามคืนพอคืนสามนี่เยอะกว่าคืนผ่านๆมาพอคืนที่สี่ท่านนาบีวิ่ออก ไม่ออกมาเพราะอะไรครับด้วยความเมตตาของท่านด้วยความสงสารเอ็นดูท่านท่านบอกว่าถ้าฉันออกมาฉันกลัวว่าเาแต่เราจ ะ, จะบังจะบังจะกำหนดให้ก า, ารละหมาดเราไว้นี่เป็นภารกิจบังคับแต่ถ้าฉันไม่ออกมาก็ยังไม่เป็นภารกิจบังคับ น, นี่คือความเมตตาของท่านนะที่สุลต่ามตอบซาฮับของท่านและอ like ั <laughs> ลล์เองก็รู้เพราะฉะนั้นอายัดนี้จึงเป็นอายัดที่ลดทอนความ ตึงเครียดหรือว่าความความตึงของคําสั่งแรกเนี่ยรัตนาเราบอกว่าอย่างไงอินนุรบักกะหนึ่งปีหลังจากกิยามุลไลอย่างเข้มข้นแล้วสร้างคนจริงๆรหนึ่งปีที่กิยามุลไลตั้งแต่ช่วงแรกของอิสลามเนี่ยสร้างคนสร้างสาาหสาบาหสาบาหายรุ่นแรกๆนี่เป็นสาาหายที่ที่เข้มข้นเพะอะไรเพราะสร้างด้วยกิยามุลไลละหมาดกลางคืนอ่าก็ครบหนึ่งปีไม่ไหว <laughs> <laughs> Allah awa, a ru, ah Allah awa, t aw, t g, l ama, aw, l a กลาเลยบอกว่าอินนรบกะที่เจ้าไม่ไหวเนี่ยเรารู้อินนรบกะย่มลอันะตักมอันนมิสุลุลัยลาบอกว่าเจ้าจงละมาตรอวะลมาคียมุไลต์ฮัุดสองส่วนสามของคืนอะไรนะนิสฟห์อวซิดอะิสฟาอวนุสมุมนฮุกลลอวิดอะไรทีนี่ เราถ้าเราบอกว่าละมาดครึ่งละมา ด, ดสองส่วนสามหรือละมาดหนึ่งส่วนสามเนี่ยพอไปทําจริงๆในภาคปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดได้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีได้ไหมซึ่งบางทีท่านนาบีก็ไม่ได้ละมาดครบตามจํานวนที่อลัลลอาลาสั่งเข้าใจไหมครับสมมติอลัลลอฮาสั่งว่าสองส่วนสามของกลางคืนสมชั่วโมงคืนนี้ไม่ถึงสามชั่วโม ง, นนมมโมงละมาดแค่สองชั่วโมงกว่าหรือครึ่งของกลางคืนกี่ชั่วโมง ที่ถึงบ้างเนยะ่บ้างเล็กบ้างคือไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดนัคือนี่คือความหมายของคำว่า Allah อินรับแวะยะกละมอันในกตะคุ่มอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเจ้าเนี่ยกำมางกลางคืนอันินี่ยมิสุลัยน้อยกว่าสองส่วนสามเกือบเกือบจะถึงสองส่วนสามของกลางคืนนะวอนิสฟะหูนะบางทีก็น้อยกว่าครึ่งคืน เอาซูลุส่ะอาวซูลุส่ะหรือบางทีก็เซนหนึ่งชนสามของกลางคืนวตาอิฟะุนมินัลละดีนะมาละแล้วก็บรร ด, ดา صحاب ที่ละหมาด ก, กับเจ้าละหมาดตรงนี้อาจจะละหมาดพร้อมกับท่านนบีเลยเป็นจามะหรือบางทีอาจจะหมายถึงละหมาดตามบ้านของตัวเองเพราะว่าการละหมาดเกียร์มลัยเนี่ยเมื่อก่อนก่อนละหมาดห้าเวลาเนี่ยบัญญัติปีไหนครับ ใครจําได้บ้างละหมาดห้าเวลาเพราะคําคสั่งกียร์มลัยคำสั่งในสุรอัลมุซัมมิลนี่ก่อนที่จะบัญยัตห้าเวลาละหมาดห้าเวลาเนี่ยบรรยัตปีไหนติ๊กตกติ๊กตกติ๊กต๊อกอ่ า, อาหรือฟื้นความจําหน่อยครับเป็นปีแห่งความโศกเศร้าปีไหนเอ่ยละหมาดเนี่ยปีแห่งความโศกเศร้าก็คือ ปีที่คาริญญาเสียชีวิตปีที่อบูบอริสเสียชีวิตนั่นก็คือสามปีก่อนที่จะมีการฮิจรั์ปีที่สิบของการเป็นนบีนะครับเราะอะไยกท่านนาบีขึ้นไปเพื่อเป็นการปลอบใจท่านในปีนั้นแล้วก็ไปรับบทบัญญัติการละหมาดมาแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่มีละหมาดท่าเวลามีแต่ละหมาดแก้วบนไหลที่เป็นภาคมังคนะครับ ภาคบังคับเองเนี่ยบังค ja ับจริงๆให้ให uh uh uh ้เข uh> uh uh> ้มข้นจริงๆก็คือหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีปุ๊บมาอายัดนี้เพื่อที่จะลดเปิดกว้างเพราะว่าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยบรรดาสาวบ้าเองก็นะละตละบอกว่ายังไงวะลาห์ฮุยุขัดเดรุลไลละวันนะครับคือมันไม่สามารถที่จะไปทําให้มันตรงเป๊ะๆว่าจํานวนเท่านั้นเท่านี้ตามที่ละตลาต้องการบางครั้งก็ละมาดน้อยบางครั้งก็ละมาดเยอะ ตาลาตาลาบอว่าไม่เป็นไรอ่าเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดกลางวันและก็กลางคืนเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงย่อมรู้ดีว่าที่เจ้าละหมาดเนี่ยนะละหมาดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยตาล า, าไม่ถือความไม่ถือความไปอะไรใดเพราะพระองค์เป็นผู้กําหนดกลางวันและก็กลางคืนอามิมาอัลลัลทุซูพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะนับหรือวัดได้แบบเป็น ม, มิลมิลลอะไรอ่ะเป็น วินาทีะสมมติเราแต่ละบอกจงละเมิดครึ่งคืนเท่าไรครึง่งคืนกี่วินาทียิ่งสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาไม่มีอะไรเลยเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะแต่รารู้ว่าเจ้าไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งทั้งทั้งหมดตามที่เราได้ฟรัรดูแก่เจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงขอลดรรดังนั้นตอนนี้เราไม่กาหนดละว่าเท่าไหร่ ให้เจ้าอ่านอ่านตรงนี้เนี่ยอัละมะัหลายท่านให้ความหมายว่าให้เจ้าละหมาดหมายถึงอ่านในละหมาดเนะี่ยให้เจ้ายือนอ่านอัลกรุรอานในละหมาดฟักเรอุแมตยศสัตอายะที่เจ้าสามารถจะอ่านได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นไม่กำหนดว่าเป็นครึ่งคืนหรือสามสนสองอันนี้คือภาพของความเมตตาที่อรค์ตาัสลาผ่อนปลนให้กับบรรดา صحاب บบของท่านนบีสลลุสลต่านในสมัยนั้นก่อนหน้าที่จะมีละหมาดห้าเวลาไม่ได้ยกคําสั่งว่ายิบออกไปนะไม่ได้บอกว่าอันเนี้คือเจ้าไม่ต้องละหมาดไม่ใช่ละหมาดแต่เท่าไหนเท่าที่เจ้าสามารถสะดวกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ได้บอกยกเลยไม่ต้องละหมาดเลยยกเลิกไม่ต้องมีการละหมาดเลยยกเลิกการละหมาดเลยเนี่ยยกเลิกไม่เป็นฟัดดูเนี่ยก็คือหลังจากที่มีการบังคับละหมาดห้า ห้าเวลตอนนี้เกียมูลอยเป็นวาจิบหรือเปล่าครับไม่เป็นแล้วเมื่อก่อนที่เป็นวาจิบแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเพราะมีละหมาดห้าเวลามามาแทนและ้ะแต่มันกลายเป็นสุนัตแทนและเป็นสุนัตที่ส่งเสริมอย่างมากโดยเฉพาะละหมาดวิเทอร์ละหมาดวิเทอร์สำหรับบางมัสยัดเนี่ยถือว่าเป็นวาจิบเขาแยกระหว่างฟาัดดูกับวาจิบ บางมัสาเนี่ยมัชาฟีอจะไม่แยกระหว่างฟะรดูกับวาจิบแต่ว่ามัศสาบอื่นบางมัศสาวอย่างเช่นมัศสาวพานาฟีเนี่ยจะดูคนปากีสถานคนอินเดียเนี่ยละหมาดอิชาเสร็จปุ๊บละหมาดสุนัละหมาดสุนัตเนี่ยเขาไม่เท่าไหร่แต่ละหมาดวิเตสเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากต้องสังเกตดูเพราะว่าามัสาบานาฟีจะถือว่าละหมาดวิเตสนี่เป็นวาจิบนับเหมือนกับละหมาดเวลา ถึงแม้จะไม่ใช่วาจิบในทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่แต่มันก็เป็นละหมาดที่สนับสนุนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะวิเทสเนี่ยท่านนบีศั่อย่างน้อยวิเทสแค่หนึ่งรากอาัตหนึ่งรกอกาอัตวิเทสน้อยที่สุดนี่หนึ่งรกากาอัตเองเหนื่อยมากมากนะครับหนึ่งรกอกาอัตสุดห้าแล้วถามว่าไม่ละหมาดได้ไหมก็ได้ก็มันถ้าว่ากันตามผกกลมเ็กซิกนะครับไม่ได้หลุด ะละหมาดถาเวลาถ้าทิ้งอไม่ได้ไมจะเกี่ยวข้องกับผู้กลมแต่ถ้าหากว่าละหมาดวิเตอเนี่ยถ้าไม่ทิ้งก็ผู้กลมฟิกว่าฮะมันไม่วันิบอะในทัศนคของบรรดาบส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นการทิ้งนะทิ้งสุนัข ท, ที่ยิ่งใหญ่ละหัวแล้วเพราะฉะนั้นจากที่กําหนดให้ละหมดาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้ครบปีหนึ่งอดปรน ให้ละหมาดตอไปแต่ไม่กำนวณฟัง قرأ ว่าแต่ย่สาระมินอัลกุรอานะเพราะว่าอัลลอฮฺอะลัยฮิวะเจ้าไม่สามารถที่จะทำได้เต็มเต็มต็มเม็ดเต็ ม, ต ม, ตมหน่วยตามที่พระองค์ต้องการเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ได้ ก, ก็แล้วกันแล้วยังย้ำอีกครั้งหนึ่งอาลิมาอันเซยาคูนุมินกุมมารดาพระองค์ทรงรู้ว่าในหมู่พวกเจ้าจะมีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไหววันไหนที่ป่วยก็ละหมาดไม่ไหว ว่าอาคารุน่ะยอดรีบูน่ะฟิลอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นคนที่เจ็บป่วยอีกกลุ่มหนึ่งนั้นอะไรนะยอดรีบูน่ะฟิลอาร์ตอกเดินทางไปตามแน่แผ่นดินยอดคารุนะมินฟอร์ตลินละเพื่อไปแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพสุบฮานั่นละสังเกตด้วยให้ดีอายันี้การแสวงหาปัจจัยยังชีพอยู่ใกล้ๆกับการจิฮาดในหนทางขออัลลอะหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไง และชาวรูนะ์ยุคติลูนในสบิลิลลาอีกพวกหนึ่งนั้นออกไปรบก็ไม่ไหวกลับมาก็ไมอยู่ผมรู้ว่บางคนก็เลยอธิบายว่าการออกไปแสวงหาริสกีถ้าเราตั้งใจดีเนี่ยโอ้ผ ล, ลบุญมันไม่ต่างกันเลยไม่เกี่ยวกับการเยหัดเลยเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้บอกว่าคุณต้องอยู่ในสุราละมาตาัดยุททุกคืน พอกลางวันคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องหาคอยริสกีมาหล่นตุต๊บตอนหน้าคุณไม่ใช่สวยงามมากครับอาญาติเรารู้ว่าเราต้องออกไปหาริสกีแล้วผิดไหมหาริสกีไม่ผิดส่งเสริมไปซ้ําไปแต่กลับมาแล้วต้องมาคารบอิบานาต่อราะสุฮานอ า, าลาด้วยบางคนหาแต่ริสกีพอกลับมาอยู่เฉยๆนอนพักผ่อนอย่างเดียวไม่เคารพระเตต์ต่อราะ ไม่ทาอิบัตต์ต่อบางคนอิบัตต์ต่อล l อย่างเดียวไม่แสวงหาลุกกียแมันต้องมีต้องมีทั้งแสวงหารุกเกีและก็ทําอิบัตต์ต่อล l h ุภาละยาอัลลอฮ์ะจะหาอะไรที่ผลงานว่านี้อีกนะว่าขารูนยกคติรูนฟนซาิลิลออีกพวกหนึ่งนั้นก็คือออกไปสู้รบในสงครามอัลลอฮ์ประฉะนั้นฟักเรอูมาตยัสระมนอัลกุรอาน นะครับถ้าพูดถึงสุนัขของท่านนาบีสุลตลล่านจะเห็นว่าเวลาที่ท่านนาบีเดินทางท่านจะไม่ละหมาดสุนัตนอกจากสุนัตอุทตร์ที่ท่านไม่ละไม่ทิ้งกับสุนัตก่อนซูโบสุนัตก่อนซูโบกับสุนัตอุเตร์นี่เป็นสุนัตที่ท่านนาบีไม่ทิ้งแม้กระทั่งเวลาที่ท่านเดินทางและท่านอยู่บนพาชนะท่านจะละหมาดบนพาชนะเลย ละหาสุนัตเนี่ยสามารถที่จะละหมาดบนฐานะได้บางทัศน์ะบอกว่าไม่จําเป็นต้องหันไปทางกิบลัดด้วยซ้ำยกเว้นละหมาดฟาตูนะครับละหมาดฟาตูท่านจะหยุดแล้วก็ลงมาละหมาดข้างล่างจอดจอดไหมเขาเรียกว่าจอดไหยจอดจอดอูดเอ า, เอาให้อูดมันหยุดแล้วก็ลงมาละหมาดแล้วก็หันไปทางกิบลัตนะครับ น, นี่ถ้าเป็นละหมาดฟรตูนี่คือฮัดยุนเนบีสุลต่านละหมาดสัพบะเองเนี่ย ก็ถึงแม้ว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือผ่อนปรนเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขาไม่เคยนะครับที่จะละเลยกับภารกิจในการเฝ้าเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮฺฮะรราะวะตาละ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราละอายใจนะครับจริงๆนคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าฟูร์แซนนฟินนะครัวาลุบานนฟินได้ฟูร์แซนฟุร์แซนก็คือนักรบ คนขี่ม้าในเวลากลางคืนอะไรเวลากลางวันอุตซ่านุนบินนะฮัสเวลากลางวันนี่จะขีม่ม้าวะรุบ้านนนบินในในขณะที่กลางคืนจะเป็นรุบ้านเป็นผู้ที่ปิดตัวเองอยู่กับอัลลอฮ์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุฮาห์นะวะตาละเดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะครับเรามีเวลาว่าจะทําอย่างไรให้เราได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งจะช่วยกันนะครับโดยเฉพาะใน เ, นเดือนอุบล ก็ง่องมาที่สระมิวว่งอัลลอฮฺอะลัยฮุตุสซาลาจงอ่านเท่าที่เจ้าสามมาจีอานและอ่า قيم ا ل ص ل ุ ة وآت الزكاة อ, อันนี้เป็นการเน้นย้ำนะครับว่าการละหมาดเนี่ยมันทิ้งไม่ได้โดยเฉพาะตอนเนี้เราได้กําหนดให้ตอนเนี้ยมีละหมาดห้าเวลาละหมาดเนี่ยละทิ้งไม่ได้นะครับ ถ้าไม่มีละมาแล้วเราจะอิบะจล Allah แตกลาย่ังไงเราจะบอกว่าเราเป็นบ่าวขาอง a ล l a h แตาเราจะบอกยังไงมันไม่มี identity อะมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีหน้าที่อะสิทธิและหน้าที่อะสิทธิของคนที่เป็นคนไทยคนไทยทุกคนมีบัตรประชาชนสิทธิเขาจะได้รับจากการเป็นคนไทยก็ฮะรับการ อ, อ, อะไรนะ สวัสดิการ ต, ต่า ง, างๆนานะแล้วหน้าที่เราเอาแต่สิทธิแต่เราไม่ได้ทําหน้าที่เข้าใจไหมฮะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นบ่าวของ Allah เอาเรารับสิทธิจาก Allah ห ล, ลามากมาหน้าที่ของเราต่อ Allah ไหนอะไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ต่อ Allah ต่างๆหน้าที่ประการแรกเลยที่เราต้องทําต่อ Allah ก็คือละหมาดละเวละ ท้าไม่ละเมิดถ้าเวลาเพราะเรีว่าอิสลามแค่ชื่อแต่นเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นว่าอาคีมุสลามจงดํารงนการละเมิดว่าอาตุสักการอยู่ด้วยกันละเมาดกับการจ่าย zakat เากกานี่ยอยู่ด้วยกันจ่าย zakat ากกาเองก็เป็นเป็นรุกลอิสลามนะครับอัลสลามเป็นอิบานะตุนบาดเนีย เป็นอิบะดัตที่เกี่ยวข้องกับร่างกายในขณะที่อะกัคะเป็นอิบะดัตุนแมรี่ยะเป็นอิบาดัตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิสนถ้าร่างกายเราต้องทําหน้าที่ต่อเราเราก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เราจะต้องนะออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะซัคะเนี่ยมันแปลความหมายได้สองแง่ว่มาอาเตยตุมม um ินซัคะตตูรีดูนอาจฮ์ลอ อุระอีกฮอร์โมนมัไต่ฟูคนเราเนี่ยเวลาที่มีเงินเยอะๆเนี่ยมักจะหาช่องทางที่จะทําให้เงินมันมันอะไรเขาเรียกมันเพิ่มฟูมันพอกฟูวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไปฝากแล้วกินดอกเบีย้ยหรือไปปล่อยกู้แล้วตัวเองก็กิกนดอกเบีย้ยซึ่งแบบนี้เนี่ยสมัยนบีก็มีสมัยยะฮิเลียก็มีนาชายของท่านอับบาสอับบาสเนี่ยเป็นคนปล่อยกู้ในสมัยยะฮิเลียนะพาถึงวันที่ท่าน ท่านทำลายรีบัลอับบาสก่อนเลยดอกระบบดอกเบี้ยของอัลอาบบะสก่อนเลยทำไมก่อนถ้าเหมือนกันอยากจะได้ตังเยอะปล่อยกู้แล้วก็กินดอกกินดอกกินดอกเพราะมีความรู้สึกว่าการปล่อยกู้กินดอกนี่ทำให้ทรัพย์สินมันงอกเงยแต่ละกล่าวว่าว่ามาที่มิริเบลยึบัฟีอําวาลีนัสฟลายึบูอันดับหล่อ การที่เจ้าปล่อยกู้และกินดอกเบีย้ยแล้ว เ, เจ้านึกว่ามันจะเพิ่มพูนทรัพย์สินของเจ้าเนี่ยละตาลาบอกว่ า, วามันไม่เพิ่มพูนนะอลัะะลลอฮฺตาลาเด็ดขาดแต่สิ่งที่จะเพิ่มพูนคืออะไรว่ามาเตยทุมมินแจเกตินตูรีดูนวาาะวะจฮัลลาใครก็ตามที่จ่าย zakat เ อ, อกไปด้วยความหวังในความโปรดปรานของข อ, ง อ, งองัลลอฮฺนั่นแหละคือคนที่เพิ่มพูนอย่างแท้จริง zakat เนี่ยมาจากรากศัพท์ว่า tasqia zakat ก็คือทําให้ สะอาดการที่เราใจรักการเนี่ยคือการทําให้ทรัพย์สินของเรานี่สะอาดแล้วมันก็จะได้เพิ่มพูนต่อเหมือนต้นไม้เวลาที่เราปลูกต้นไม้ถ้ามันรกรุงรังอะ่ะเป็นภาพอะไรครับใบไม้มันเยอะแยะมากมายแล้วโดวยเฉพาะใครที่มีต้นลองกองนะใครที่ปลูกต้นลองกองจะต้องมีวิธีถ้าปลูกแล้วทิ้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้กินหรอกต้นลองกองอะ่ะ เวลาลองกองมันออกดอกใครมีลองกองบ้างพวกสาจังหวัดนี้มีลองกองทั้งหมดฮ้เวลาที่มันออกดอกมาเป็นช่ออย่างเนี้ยโอ้โหเลี้ยงยิ่งกว่าลูกอีก <c ười> จะให้ลองกองสวยอ่าตั้งแต่มันออกดอกแรกๆต้องไปตัดดอกทิ้งแล้วพอมันโตขึ้นมาสักหน่อยมีลูกลมๆมาสักหน่อยต้องไปคัดลูกออกอีกคัดลูกออกเพื่อให้มันออกมาอย่างสวยงาม แล้วกิ่งของมันก็จะต้องตัดแต่งกิ่งเงินงของเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้มันงอกเงยแบบสมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์คนต้องตัดแต่งต้องอะต้องต้องประดับประดาด้วยการออกอา ก, กาศสองจุห้าขี่ปัติว๋วแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเงินมันเยอะๆเนี่ยคนเราเราไม่เป็นไรเราเงินน้อยใช่ไหมรอห้อยบาทออกแค่สองุดห้าอย่างเงี้ย มันเดี๋ยวนี้อา ก, กาศพิกัดของอา ก, กาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณที่มันแสนหนึ่งประมาณแสนกว่ากว่าเออเนี Zi ่ยมันมีคำนวณด้วยนะคอมพิวเตอร์เนี่ยไอไอมือถือเนี่ยมันจะมีคำนวณอากาศให้เราด้วยถนะ้าอยากจะรู้อากาศเท่าไหร่เนี่ยอคอมพิวเตอร์ ใ, ออร ใ, ออรให้เนี่ยโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยมีคำนวณอากาศให้เราด้วยนะครับสุดฮาเลาหรอคือเราไม่มีข้ออ้างเลยว่าไม่รู้อาจารย์ไม่รู้จะออกเท่าไหร่ <laughs> อ่ตั้งมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ออกสา ก, กัดาได้นะครับอ่ะนี่บอกมันมีส ก, กาดัดเนี่ยอะไรเนะี่ยอ่าส ก, กาัดเขาคำนวณมาให้เลยเป็นบาทด้วยนะอะการคำนวณอ่ะคำนวณคำนวณ อ, อ่พิกัดสา ก, กาัดตอนนี้นะหนึ่งเนี่ยตามนี้นะมีสอบพิกัดของมันก็คือหนึ่งแสสองมืเก้าพันห้าร้อยหกบาทจุดสี่สิบแปดสตางค์ โปรแกรมคำนวณให้เลยอ่าใครที่มีพิกัดเท่านี้ครบปีเขาต้องออก 2.5 2.5 จากหนึ่งแสนี่ประมาณเท่าไหร่สองพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองแต่บางทีขมมันเยอะ ๆ, ๆเป็นล้านเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยออกไม่ออกออกยากเหลือเกินอ่านี่คือนี่คือบททดสอบอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีเงินนะครับเราแต่ลก็จะสอบถาม สอบถามคนที่มีเงินเยอะหน่อยนี่จะโดนสอบถามเยอะหน่อยเาต้องคิดลราแต่ละจะคิดทุกอย่างเลยละอยู่กอดีรู้อะอะไรนะที่ Allah แต่ละบอกว่าจะไม่ปล่อยเวลาคิดบัญชีนจะไม่ปล่อยเลยยิบอัลลอฮฺมะอินน่าอัลลอฮฺมะอินน่า وأَقِينُ الصَّلَاةِ و َ ت ُ ا ل ز َّ ك َ ا وَأَقْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا และจงให้ยืมกับอัลลอ์ด้วยการให้ยืมที่ดีการให้ยืมตรงนี้เป็นการตชบ h b i ให้ยืมตรงนี้ก็คือการบริจาคทานที่ไม่ใช่ z a ก a ะให้กับคนยากจนการบริจาคทั่วไป قرض حسنة قرض حسنة ก็คือการให้ยืมที่ที่ดียังไงบางทีเวลาที่เราให้ยืมไปแล้วเนี่ยเพื่อนไม่จ่าย อย่างนี้ยืมที่ดีไหมอันนี้เรานี่เยอะเอ้ยเพื่อนยืมเพื่อนจ่ายชาม้งเพื่อนจ่ายไม่ครบบ้งถูกต้องไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายืม เ, เขาเรียกว่ายืมไม่ดีแต่ยืมกับ Allah เนี่ยยืมที่ดีเพราะอะไรได้ครบแต่ไม่ใช่แค่ครบนะได้เพิ่มได้เพิ่มดีเราให้เท่านี้แต่เราให้มากกว่าที่เราที่เราให้กับ หนทางของพระองคลล์ออละซุบฮานะฮะตะละเดี๋ยวมีตัปซีดนะครับที่บอกว่าอะไรเนี่ยกระอนพัสดนั้นไอ้ข้าวิสันลิวจีอลละหมายถึงด้วยความอิจฉาสนะครับมนด้วยความจริงใจให้ยืมด้วยความรู้สึกว่าเหมือนไม่โดนบิดบังคับอ่ะคือให้ยืมด้วยใจจริงบางทีให้ยืมเหมือนกันแต่ว่าให้ยืมเหมือนกับ มันกดดันมากเลยไอ้วอเนี้มาทุกวันเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอ่ะให้ให้ไปแบบนาบึ่งไปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รีวิวการันสนามันแฮะ من ا ل ن س م ا ط في ا ل ص อันเนี้ยอัสซดีบอกว่าอันนี้รวมทั้ง zakat แล้วก็รวมทั้งการบริจาควไปด้วย หมายความว่าแมาก้กระทั่งการจ่ายอากาศเองก็จะต้องจ่ายด้วยความรู้สึกเอลรานะครับลฮัมดุลิลลา์หมดนะครับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการละมาแล้วก็จ่ายอากาศการบริจาคทานและนี้ปิดท้ายด้วยการสั่งให้เราทำดีโดยทั่วไปมาตุกัดดมูลิอันฟุิคุมมินขยรินทเจดูห์อินดัลอห์ฮุวขยรันวะอซมอัจร ไม่มีสิ่งใดที่เจ้าทำดีนะอัลลอส์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا เจ้าทำดีแล้วม อ, มอบให้กับอัลลอ์เนี่ยเจ้าจะพบว่าเจ้าจะพบว่ามันมีอยู่อัลอลอฮ์จะรับเก็บเอาไว้หมดนั่นแหละมีบางคนเลยบอกว่าเวลาทำดีอย่าไปนับเพราะมีคนนับอยู่แล้วเวลาที่เราไปบริจาคเนี่ยไม่ต้องมานับว่าวันนี้บริจาค ก, กี่บาทกี่บาท เพราะมาละไอัดนับไว้แล้วแล้วเราจะได้เจอแน่นอนแต่เวลาทำชั่วเนี่ยให้รีบนับเลยเพราะเราต้องเตาบัดสุขภานัลล่นแหละเนี่เป็นเทคนิคของบรรดาคนที่เรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลหัวใจเวลาทำดีกับเพื่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปจำเราทำดีกับใครไม่ต้องไปจำ แต่เวลาที่เราทําอะไรไม่ดีกับเพื่อนต้องจําเพื่อที่จะไปขออภัยโทษกับเขาไปไปขอโทษเขาทําดีจําทําไมอะาา่ะ Allah taala บันทึกเรียบร้อยละแต่จีดูหูอินดัลลาห์แล้ว Allah taala บอกว่าวันที่ดมูลแอมฟุสิคุมสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเราอาจีบแปลกมากนี่เราไม่ได้ทําให้คนอื่นทำให้เราเองเนี่ยมีคนเก็บบันทึกไว้เราไม่ต้องเก็บบันทึกเอง เราทำอะไรก็แล้วแต่ลมาถือสิ่งอดซกกาอะไรก็แล <Flow> ้วแต่เนี่ยอ <Cool> ิละฮ์อิลล allah เราที่ตจูนัลตจูนัฮุรันะอัอเราไม่ัเห็นไปดูที่อัลลอหอลยาเนี่ยมันเยอะกว่ามันดีกว่าที่เราทาอย่างน้อยการทาดีหนึ่งอย่างก็จะคูณสิบโดยพื้นฐานการทาดีทุกอย่างจะคูณสิบ และอาจจะมากกว่าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยหรือไม่มีขอบเขตอย่างการถือสินอดเนี่ยเ้าไม่บอกขอบเขตของการที่เพิ่มพูนผลระบุไม่มีการบริจาคการบริจาคหนึ่งบาทเท่ากับเจ็ดเจ็ดร้อยหนึ่งเม็ดออกมาเป็นเจ็ดร้อยเม็ดเจ็ดก้านก้านละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อหนึ่งก็เป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมครับ นีคือการทําดีอัลลอฮฺการยิ้มการพูดดีการพูดดีการพูดดีเนี่ยการพูดดีนี่หมายถึงอะไรการตทศเบห์อัลลอฮฺการ zikir อ Allah, รัลลอฮฺดีกว่าที่เราจะพูดภาษาของของคนสมัยนี้นะอัสลามุอะลัยฮ์วะอาตุลบิญัติเยภาษาของคนสมัยนี้แปลกๆมากเลยดักแปลงจนกินทั้ง มึงไมีหมดนะอันนี jamais, the, a, a, patient, ้เขาเรียกว่าไม่ใช่คําพูดที่ดีคําพูดที่ดีจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคําพูดที่ไม่ดีจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นคําพูดที่ดีปุ๊บรักอะไรจะยกขึ้นไปหาพระองค์ทันทีอิไลฮิยสซาดุลแค่เรียมุตตัยคาพูดดีเนี่ยรักอะไรก็จะเก็บไว้รักเก็บไว้สูงด้วยวะละเมลุซซาลีฮูยารฟะอูการทําดีของเรารักอะไรจะเก็บหมดเนี่ยจะทํำยังไงให้เราเป็นคนพูดดี พูดดีทำดีคิดดีอิสลามไม่ได้ยากมากนะครับที่จะเป็นมุสลิมที่ดีแต่เราจะต้องปรับตัวเองนิดหนึ่งนะครับไม่จาเป็นว่านะเวลาที่เรามีเรามีอะไรบางอย่างที่อยากจะแสดงออกต่อเพื่อนสนิทนะผมเห็นความรู้สึกหนึ่งที่เรารู้สึกแย่มากก็คือเวลาที่เราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ต่อนหน้าเพื่อน แล้วเราจะเขียนอะไรก็ได้เหมือนมีความรู้สึกว่าคนอ่านจะไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าครับเวลาที่เราอ่านคาพูดแย่ๆจากคนอื่นที่ส่งมาให้เราเนี่ยเราเรารู้สึกยังไงเราหรือว่าเราไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นต้องระวังบางทีการเขียนคําโดยที่เรามองไม่เห็นหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทํานึงถึงเขาเลย เพราะคนคนอ่านเองเขาก็ไม่รู้อารมณ์ของเราบางทีเราอาจจะเล่นๆแต่เราเขียนไปเนี่ยโอ้โหระดับความรุนแรงเนี่มันแบบสึนามิเลยนะแต่เราเขียนลงไปเล่นๆแต่คนอ่านมันอ่านมันตีความอย่างอื่นอันนี้ต้องระวังกว่าการที่เราพูดอยู่ตอนนด้วยซ้ำไปทำอย่างนี้นี่คือของดีนี่คือโอแม่ตุกตัดดิมูลิอัลฟุสิกุมความดีทั้งนั้นเลยความดีในอิสลามมีเยอะมากละ อ, อิลลัฮอิละลอฮ ฮะทำยังไงให้เราอยู่กับความดีตลอดละหมาดเทียมุลไล่เราอาจจะแพ้แต่เราอย่าแพ้ในการที่เราจะเป็นคนดีในเรื่องอื่นได้ไหมละหมาดเทียมมุลไล่ไม่ไหวแล้วแล้วยังเป็นคนชั่วอกีกเป็นคนไม่เอาไหนในเรื่องอื่นอีกแล้วจะหาของดีที่ไหนในตัวเราอ่ะ <c oughs> คนอื่นกลางคืนซาฮบะกลางคืนเขาใช้เวลาอยู่กับการอ่านอัลกุรอาน เรากลางคืนใช้เวลากับการอยู่กับ youtube อยู่กับเฟซบุ o กแล้วถ้า youtube นี่มันเป็นของดีมันก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่ากันอีกหรืออาจจะโอเคบ้าง a c e b o o k ที่ดีๆแต่ถ้าหากว่านั่งเรียนเวลากลางคืนนั่งเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเวลากลางคืนเนี่ยวลกลางคืนนี่มันได้อารมณ์อะไรอีกใช่นะไหมสุดโต่งโต่งโ่งต่งทุกไหนอ่ะ ที่จะเป็นสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้สําหรับสําหรับเราเก็บเอาไว้ใอัลลอฮ์สุฮานอัลลอฮ์ฉันรู้แล้นะต้องต้องรู้จักคิดต้องรู้จักได้รับบทเรียนจากอายะพวกนี้อันนี้สุฮานอัลลอฮ์อายะท์แบบนี้มีเยอะเดี๋ยวเราก็เรียนมาหลายรอบแล้วนะครับหลายที่หลายแห่งที่พูดถึงว่าอัลกุรอานสั่งให้เราทำดีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสีห้าแปดมีหลายอย่างแล้วอะไรที่เราทําได้เราก็ทําหรือภาพรวม ไม่จำเป็นต้องระบุว่าอะไรจะเป็นความดีอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีตามที่เอาลาต้องการขอให้เราตร่วมกันร่รมแล้วก็ทำวัสฟิรุลลอฮ์จงอิสติฟารัลลอ์อินนัลลอฮกุรฮมแท้จริง Allah เป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาอัลลอฮอัลลัลัั การจบสุรด้วยการมีคำสั่งให้อิสติฟารเป็นการจบที่สมบูรณ์ที่สุดทุกครั้งเวลาที่เราทำอามัลอิบดเนี่ยสังเกตดูพอตอนท้ายปุ๊บจะมีการอิสติฟารทนทีอัสสลามุอะลัยุมวะราะห์มุลลอฮอัสสลามุอะลัยุมวะราะห์มุลลอฮสิ่งแรกที่เรากล่าวคืออัสฟุรุลลอฮอัสฟรุลลอฮอัสฟุรุลลอฮ ใชมครับเวลาที่เรารับเหมเวลาที่เรานั่งกันเป็นกลุ่มอย่างนี้หรือทำอะไรก็แล้วแต่บรรยายก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะบอกว่าใครที่นั่งอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้แล้วก็นั่งพูดคุยกันเพราะเขาจะยกภาษาเราก็คือยกก้นตัวเองฮะจะยกตัวของเราออกมจากมัจลิสนั้นๆวงสนทนานั้นๆถ้าเขาอ่านดูอาา่านนม่ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكدعاءكفارة เห็นไหมครับนพอจบรายการทั้งหมดลุกขึ้นเนี่ยอ่านดูอนนี้ว่เาจะอภัยโทษให้กับบาปที่เรานั่งคุยเมื่อกี้หมดเลยเราออกไปเนี่ยบาปที่เราทิ้งตรงนี้หมดเลยเราไม่พากลับไปด้วยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวงดีวงไม่ดีนี่ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่ต้องยิ่ง ไอ้วงดีอย่างนี้ก็ต้องอ่านไอ้วงไม่ดีนี่ยิ่งต้องอ่านอะไรเวลาที่เรานั่งกินก๋วยเตี๋วด้วยกันกินสเต็กด้วยกันพูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปแตะคนนั้นเดี๋ยวไปแตะคนนี้ถูกต้องไหมครับอพอเราใจตั้งปุ๊บเอาไปไปกันดีกว่าสุภานักเลงทำดิบไปเฉลี่ยแล้วนะต่สต๊อกแกวติว่าเองว่าคนละคนเนี่ยว่าเองถ้าว่าไม่เป็นจะว่าจะมาอ่านเนี่ยมันดูโอเคหรือเปล่าเอาพวกเราดูอาปิดมาเจริส ในร้านก๋วเตี๋ยวคมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นให้ให้ท่องเองว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่ดีอีกอันนี้คือดูชีวิตของท่านนบีอสุราะสุท้ารีถูกะทารองมาอิส่าจ้านัารุลลอฮิวัลฟัตวร أ ไถตันนาาไซคลุนนทีดีนิลลาฮิอฟวาจาฟับบิหัมดิรับบิคะวัสตัิรจบแล้วภารกิจของเจ้า พระมหาจบแล้วครับภารกิจของเจ้าจบแล้วเจ้ากาลังจะเสียชีวิตแล้วอินนอมบาสบอกว่าโซร์นี้เป็นโซร์ที่เป็นสัญญาณว่าท่านอบดกําลังจะเสียชีวิตในเมื่อเจ้าอยู่ในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยให้เจ้าตัสเปะต่อรักษาให้มากๆและให้อิสติฟารอินดหูแคระตะวบเช่นเดียวกันอิสติฟารหลังจากกิยามุไนโดยเฉพาะก่อนจะเข้าสุบุ ช่วงเวลาที่เราเรียกว่าช่วงซาฮูนิททำเลยทําเลยอัลมาดอนนิททำเลยหลังละหมานอิชาเราละหมานตราระไว้เราถือว่าเป็นแก้มมลัยแล้และหมานตราระไว้แล้วเราก็นอนพักอ่านธมด้วยแหละละหมาดูอิเต็ดอะไรเสร็จ น, นอนลุกขึ้นมาที่จะมาทานซาฮูรช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ดีที่สุดในการอิสลามช่วงสุดท้ายของกลางคืนอัลลอฮฺแต่าละบอกว่า ว, าวาบิลอสซารี หุจะต้ฟื้นหนึ่งในคุณลักษณะของมุตตะกินของมุมินีนก็คือพวกเขาจะอิสติฟาในช่วงเวลาสะบูบก่อนซุบุนะครับโอเคกณจะกินกาแฟาจะดูทีวีช่วงนั้นจะมีรายการทีวีด้วยใช่ไหมครับรายการทีวีอ่ารมฎอนอะไรทั้งนี้ช่องนั้นช่องนี้อย่าดูช่องนั้นก็แล้วกันอช่องที่ <laughs> อ่ช่องที่มีพวกหัวใหญ่ๆไม่ต้องไปดูอะไร ดูทีวีไปด้วยพางๆอิสติกลฟาไปงๆก่อนที่จะเข้าซูบออ น, นั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดเข้ากันกับกับอายนี้นะครับว่าสตั้ฟิรลลาวสตัฟิรล ล, อ, ร ล, ลอินนัลลอฮกฟ ร, รุลฮีทำไมครับที่เราต้องอิสติฟ้าทั้ทงๆ ท, ที่เราเพิกทำดีล้มาเกลเกมลนดีไหมดีแล้ ว, ลไลวทไมพอทของดีแล้วต้องอิสติฟ้าเพราะกลัวว่าเราจะบกครองในการทาดี มันก็เลยจะไปอุดรูรั่วรูรอยรั่วรอยที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยอิสติฟาร์ของเราจะไปจะไปอัดจะไปพานเอา ล, ละอันนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับนี่คือสุรุตุลมุซัมมิก่อนหน้านี้อัลอลอฮาพูดถึงคำสั่งที่ดูหนักมากคำสั่งหนักคำสั่งที่มันหนักตอนต้นสูรอกเนี่ยมันมีฮิกมัดของมันเพราะมันสร้างคนะ่ะ สร้างคนจนกระทั่งสามารถที่จะแบกรับการทำงานที่หนักหน่วงมากแบกรับอัลกุรอานและแบกรับกับการต่อต้านเพื่อเชิญหน้ากับการต่อต้านของบรรดามุสลินได้อย่างไม่สะทกสะท้านสร้างคนจริงๆแต่ว่าพอไปชักสักช่วงระยะหนึ่งโอเคพอเริ่มเข้มข้นอะไรมากแล้วเนี่ยนี่คือฮิกมัตจากอัลลฮสุบะละตะละ แม้กระทั่งการอิบด์เองเนี่ยก็จะต้องมีกรอบและขอบเขตของมัน a l l h ลัลไม่ต้องการให้เราทอิบัด์ทอิบาดที่มดโดยที่ไม่ได้ดูแลร่างกายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นระหว่างอบูอะไรนะอบูอบูรอบูอะไรอบูดาร์ดกับซัลแนอัลฟาริซีซัลนอัลฟาริซีไปเยี่ยมอบูดาร์ด เาจะไม่ผิดนะอบุดดาระใช่ไหมเป็นเพื่อนสนิทกันซาลมาอัลฟาริซีกับอบุดดาระไปถึงไปเห็นอมมุดดาระภรรยาของอบุดดาระเนี่ยอยู่แบบไม่ดูแลตัวเองไม่สนใจที่จะดูแลตัวเองให้เหมือนกับไม่ต้องปรนิบัติปรนิบัติสามีของตัวเองก็เลยถามอมุดดาระว่าทำไมเจ้าทําตัวอย่างนี้อมุดดารก็บอกว่าตอนนี้อบุดดาระไม่ต้องการโลกแล้ว ฉันก็เลยไม่ต้องแต่งตัวไม่ใช่ไหมครับก็คือตัดขาดทางโลกอบุณัดะไม่เอาโลกอยู่แบบตัดโลกตัดตัดโลกแล้วมีแต่ทางธรรมอย่างเดียวซัลมาอลฟารีซีก็เลยคิดจะสอนอบุณัดระคิดจะสอนสอนยังไงอ้าไปเจออรุณัดระก็ซาลาหอะไรเสร็จปักเรียบร้อยอบุณัดระพอเห็นเพื่อนมาก็ไปยกอาหารมาให้กินตัวเองถือศีลดซัลมาน พอบูดาดักยกมาให้กินแล้วเห็นบูดาดักไม่ยอมกินทำไมจะไม่กินวันนี้ฉันเสือซินดถ้าอย่างงั้นฉันจะไม่กินจนกว่าเจ้าจะกินถ้าอบูดาดักไม่กินฉันก็ไม่กินสอนอโอเคบูดาดักก็เลยจําเป็นต้องกินเพราะว่าถือซินดสุนัตสามารถที่จะได้ผลบุญเต็มนะถ้ามีแขกมาที่บ้านเนี่ย ถ้าวันไหนที่ถือสินบนแล้วมีแขกมาที่บ้านนี่ดีใจไว้พลางๆก็ <laughs> <laughs> ะจะได้ล่าสินบนกับแขก <laughs> แล้วเขาบอกว่าเวลาแขกมาบ้านนี่อย่าถามว่าแขกอยากจะกินอะไรมันไม่ใช่หน้าที่ของแขกที่ต้องบอกเราว่าเขาอยากจะกินอะไรมันเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ต้องต้อนรับแขกมีอะไรก็ต้องต้อนรับเขาอะ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามแขกก็จะกินอะไร <laughs> สุภาพนวล น, น, นี่การทับแขกในคนอาหรับเนี่ยเขาจะ เ, าเขาจะให้ความสําคัญลเลยอบูบัติละก็เลยจำเป็นต้องกินพราะตกกลางคืนตกกลางคืนจัดที่นอนให้นอนให้ซาลมานนอนแล้วตัวเองไม่ยอมนอนซาลมานก็บอกอีกฉันไม่นอนจนกว่าเจ้าจะนอนไม่ยอมนอนเพราะว่าจะละหมาดเกียบนไลนอนด้วยกัน พอกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของบางคืนก็ลุกขึ้นมาปลุกช่วยกันปลุกทั้งสองคนและก็ละหมาดด้วยกันหลังจากนั้นซัลมานก็สอนสอนภาคปฏิบัติก่อนที่จะสอนภาคทฤษฎีสุภาษณ์ลลนั่นแหลเราเนี่ยเราจะสอนภาคทฤษฎีก่อนแล้วก็สอนภาคปฏิบัติแต่สองคนนี้สอนปฏิบัติก่อนแล้วมาเน้นด้วยทฤษฎีตามหลังซัลมานบอกว่าอินน์ลิรอบบิกอะลคฮับกา ว่าลีเจ้าดิคอะเลยค่ะฮักกาว่าลีบัณฑิตค่ะเลยค่ะฮักกาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจําตัวบทอเดสเพ่งๆไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์เจ้าเนี่ยมีหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่เราเจ้าต้องทําให้กับเขาแต่กับร่างกายของเ <c oughs> จ้าเจ้าก็ต้องมีหน้าที่มีสิทธิของร่างกายที่เจ้าจะต้องให้กับร่างกายด้วยกับภรรยาก็เหมือนกันกับภรรยาเนี่ยภรรยามีสิทธิ์ที่จะต้องไม่ร่วมหลับนอนกับสามีก็ต้องให้ สิทธินั้นแก่เขานี่คืออิสลามนี่คือความสม ด, ดุลของอิสลามเพราะฉะนั้นเราอย่ากตกหลุมพรางของคนบางคนที่พยายามจะทําให้อิสลามเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องเรื่องอุดอัดอา่าทาอิบารัดาทีหนึ่งอุดอัดทีหนึ่งหนักหนามมากหรือตกหลุมพรางอีกฝั่งหนึ่งนะที่มองว่าอิสลามเป็นเรื่องชิวๆยังไงก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ นะครับมันมีสัด ส, ส่วนที่เหมาะสมที่โอเคอยู่ในกรอบที่มันโอเคแล้วมันจะไม่หนักแล้วไม่หย่อนจนเกินเอาเอาเอาแบบนั้นดีกว่าแล้ว อ, อิสลามก็สอนอย่างนี้เนีสุราห์นี้สอนอย่างนี้นเราจะนไหมพอท้ายสุราห์ปุ๊บสวยงามมากจบได้อย่างสวยงามเราเรารู้ว่าเจ้าเหนื่อยอยังงยังไงยังงยังงีเพราะฉะนั้นจงอ่านเท่าที่เจ้าสามารถจะอ่านได้แต่อย่าอย่าไม่อ่านก็แล้วกั น, นอย่าว่าละทิ้ง การละหมาดตาจุดเลยไม่เคยสักครั้งหนึ่งเลยในชีวิตในรอบเดือนไม่เคยมีเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มีนะครับเท่าที่เราสามารถทําได้เราไม่ละทิ้งนะครับและการอิสติฟาร์อันนี้ดีที่สุดโดยเฉพาะเดือนละโมดอนมีอุลามะบางคนไปถามมีคนาบางคนนั้นไปถามอุลามะว่าต้อนรับละโมดอนนี่อะไรดีที่สุดอามัลอะไรที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการต้อนรับละโมดอน ปรากฏว่าท่านตอบว่าอมมามัลที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการต้อนรับระมั่อนก็คือการอิสติฟารและการเตาบัดตัวนะครับสอหรับเราที่เราเริร่มเตาบัดตัวให้มากก่อนที่เราจะเข้าถึงละมัตอนเพราะว่าเตาฟิกของล็อกส์บาลแต่ละจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีบาสอิสติฟารให้มากอิสติฟา ร, ฟรมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจบท้ายให้สวยงามผมจะอ่านจากหนังสือเล่มนี้นะครับคู่มือเกียร์มุลไล อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าการเคลียร์โมเลย์นี่เป็นอิบาดัตที่ยิ่งใหญ่และก็สวยงามมากเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ว่าวันนี้อยากจะทําก็ลุกขึ้นมาทําได้เลยค่อนข้างยากมากผมกล้าที่จะบอกเลยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวเยในนี้เขาบอกว่าระเบียบและข้อปฏิบัติก่อนละหมากรเคลียร์โมเลย์อะไรที่จะเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถลุกลุกขึ้นละหมากเกลียร์โมเลย์ได้ฮเขาบอกข้อที่หนึ่งให้นอน กลางวันนิดหนึ่งช่วงกอยรู้ละคอยรู้ละเนี่ยอุลมามะบางคนบอกว่าก่อนโฮุบางคนก็บอกว่าหลังโซฮุแล้วแต่เราสะดวกตอนไหนการงี่สักนิดหนึ่งนะอันนี้แม้กระทั่งการแพทย์เองก็บอกนะครับว่าการงี่กลางวันมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสุนนะท่านนาบีก็คือให้มีงานงี่กลางวันรู้สึกรู้สึกว่จะมีฮะดิษดรู้ซ้ำนะครับที่บอกว่าให้เรางี่เพราะว่าชัยตอนมันจะไม่งี่กลางวัน ให้ค้านกับเชอร์ตันแฟนะเชอร์ตนรายเกี่เหล่ากันนะเมซับอะขนาดไหนนะครับอะดิสกี้อ่าบางวันให้เจรียมตัวด้วยการนี่กบางคืนให้อาบน้ําละหมา ก, ก่อนนอนก่อนนอนทุกครั้งให้อาบน้ำละหมา ก, กล่าวดูอาก่อนที่จะเข้านอนมีดูอาอะไรบ้างก่อนเข้านอนที่เราจํานอนด้วยดูอานอนด้วยอัลลอฮฺะ ع ا ل ى อเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยเอาเราพอเราพอเรานอนกับอย่างอื่นเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่าจะลุกขึ้นมาได้ง่ายๆแต่ถ้าเรานอนกับดวอานอนกับสุ น, นัขของท่านนาบีใช่หรอเราสามารถที่จะตื่นได้แล้วนอนเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ยา ก, กมากมากไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนอนแต่หัวค่าสุ น, นัขของท่านนาบีให้นอนแต่หัวค่นอนก่อน เคยเคยทำแบบประมาณว่าคืองานมันมีทุกวันน่ะแล้วปัญหาก็คือว่ากลางคืนเนี่ยมันทำงานได้สงบมากความคิดมันแล่นกลางคืนลูกๆ ก, ก็หลับหมดเราเพื่อนทำงานคนเดียวบางทีถึงตีหนึ่งตีสองมันแบบสมองมันแบบมาหมดในตอนนั้นกลางวันทำไม่ได้บางทีอันนี้กลายเป็นปัญหา กายเป็นปัญหาที่ทําให้เรานนั้นไม่นอนแต่หัวค่าแล้วพอนอนดึกอย่างนั้นหมดสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาไม่ไหวละพรายังปรับอยู่นะครับหลังอิชานนอนเลยแล้วบางทีมันต้องช่วยกันด้วยยิ่งถ้าอยู่หอพักอย่างเงี้ยโอ้หนักนิดนึงเรานอนคนอื่นไม่นอนเปิ ด, ดไฟเนี่ยบางทีมันยากมันจะทํำยังไงใหนะ้ให้มีการอิติฟาร์ันทะสัญญากนว่าจะปิดไฟกี่โมงกี่โมงอะไรก็ว่าไป นี่คือตัวช่วยเพราะเราไม่มีตัวช่วยตรงนี้แหละที่ทำให้เรานั้นลองสังเกต ด, ดูวันไหนที่เรานอนแต่หัวค่ำเราจะตื่นเร็วถูกต้องไหมครับนาฬิกาชีวิตเองทางการแพทย์ก็ระบุเองว่าการนอนที่ดีที่สุดก็คือการนอนตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีหนึ่งพอถึงตีหนึ่งปุ๊บให้ลุกขึ้นตรงนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นแล้วท้องของเรารับอาหารดีที่สุดก็คือตอนซาอุบบไปดูได้เลย ไปหาจากบูเก l ลได้เลยคืออิสลามมันดีอยู่แล้วคุณเน่ยดีหยือยังใช่ไหมสุภาน่ ล, ลเหรอเพราะฉะนั้นเน่เนี่ยดูอาก่อนนอนมันต้องบอกด้วยว่าต้องนอนแต่ห่าค่ำด้วยจะเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะลุกขึ้นมาละหมาดตั้งตั้งเนี่ยตั้งแต่ก่อนนอนถ้าสมมติว่าตั้งใจตั้งแต่ก่อนนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอิชอาละได้บุญเหมือนกับการลุกขึ้นมา เราตั้งใจเอาไว้แล้วนะอะต่อไปพอตื่นนอนขึ้นมาให้อ่านดุอาอีกอ่านดุองตื่นขึ้นมาปุ๊บให้อ่าน10อายัดสุดท้ายจากสุรอละลัยอิมรนันกลับไปเปิดดวงสุรอละลัยอิมรัน10อายัดสุดท้ายเริ่มตั้งแต่อ wa um ินนฟีขลกิสสนาวาทิวัลอัลวัคติลาฟิลเลียย์นะฮะนี้ที่ท่านนบีทำเป็นสุนนะก่อนที่ท่านจะไปอาบน้ำหมาะนะครับอเออ หลังจากอันอายัดสิบอัดสุดท้ายใส่กัาแล้ะทำความสะอาดก็คือเข้าห้องน้ำไปอาบน้ําละมาดแปรงฟันน้ำละมานและอันสุดท้ายที่จะเป็นตัวช่วยเป็นส่วนหนึ่ท่านรบีเช่นเดียวกันก็คือให้ใส่น้ําหอมให้ใส่ของหอมหมายความว่าตอนละมานะให้เราแตะน้ําหอมสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันกระชุ่มกระชวยแล้วมะรอ้กัดเองก็ชอบกลิ่นหอมของมนุษย์ของบาปสุภาพนั่นแหละเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นต้องหาตัวช่วยพวกนี้นะแล้วเราอัลลอฮ์นะครับโดยเฉพาะรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยลองกลับไปวางแผนดูเราจะทํายังไงให้เราคุ้นเคยกับภารกิจอิบะดับที่ยิ่งใหญ่นี้ของท่านอับดุลลาฮ์สุลต่นนานในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามสุนนะของท่านนะครับขอตัวอาาัลลอฮ์ทรงวางแต่ละให้เราได้มีโอกาสต้อนรับรอมฎอนอยา่างเต็มเปีเป่ยมนะครับด้วยหัวใจ ให้สุขภาพที่ดีโดยอามาอิบดัตต่างๆที่จะส่งผลให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตลอดทั้งปีที่จะมาถึงอินชาอัลล์สุารดีัลลอฮุอลมฟะนัลลอฮอยาคุมมายฮิบวะคุอลลอฮบนมุฮัมมัดอฮฺออลฮิอฮิซัลมสลามุอะลัยุมรหมตุลลอฮา